นักศึกษาจีนและไทยสาขาภาษาไทยประยุกต์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีรา ช, ชมงคลพระนครร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กับมหาวิทยายลัยและรัฐบาลสนองพระราชดำริด้านจิตอาสา ข, ของในหลวงรัชกาลที่สิบในกิจกรรมคนรักครองไม่ทิ้งไม่เทศทุ่มทาความดีนางสาว พ, พการัตใหญ่ทองอาจารย์ประจาสาขาภาษาไทยประยุกต์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคนรร่วมกับนางสาวเบนจมาศบัวคำเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะศิลปาศาสตร์ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในกิจกรรมคนรักคลองไม่ทิ้งไม่เททุ่มทำความดีเพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาร่วมกันพัฒนาคูคลองเพื่อสุขอนามัยคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม ในการนี้ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาภาษาไทยประยุกต์ทั้งจีนและไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยการเดินรณรงค์ไปกลับรวมระยะทางกว่า5กิโลเมตรนบบริเวณริมคลองเปรมประชากรและเส้นทางโดยรอบศูนย์พานิเชยาการพระนครซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จัดโดยสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและมีนักศึกษาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมกิจกรรมนับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสุขภาพดีเพราะมีจิตสํานึกรักคู่คลองอีกด้วยนันทนาสีมาวิทยุราชมงคลพระนครรายงาน ผู้มีการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเชื่อกนงมองหลายมิติก่อนตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยย้ำนโยบายการเงินและการคลังต้องสอดประสานกันนายละวันแสงสนิทผู้มีการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคเปิดเผยว่าการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงและธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีอิสระในการตัดสินใจกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายในการแทรกแซงการตัดสินใจดังกล่าว อย่างไรก็ตามชื่อว่ากรงงค ง, ง, งนำปัจจัยทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วยหากกรงตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยจริงก็จะสะท้อนว่าหลังจากนี้ไปกรงจะมองเรื่องเสถียรภาพหรือความมั่นคงเป็นหลักขณะที่นโยบายการคลังจะต้องมาพิจารณาใหม่เช่นเดียวกันการมีกระสุนไว้ใช้ในมุมของทบเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องดูหลายมิติแม้ว่านโยบายการเงินกับนโยบายการคลังต้องไปด้วยกัน การขึ้นดอกเบีย้ยอาจทําให้ธปทมีกระสุนในการทํานโยบายการเงินมากขึ้นขณะที่ด้านการคลังกระสุนอาจจะน้อยลงก็ได้โดยแนวโน้ม อ, อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ไตรมาส4ปีนี้ของไทยเติบโตได้ดีกว่าไตรมาสที่แล้วสะท้อนจากการส่งออกในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่เริ่มกลับมาดีขึ้นรวมถึงความพยายามในการผลักดันมาตรการการท่องเที่ยวจะช่วยเศรษฐกิจได้มากรับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า